เฉพาะตนโดยดังตรินตอนจะเหมือนในฝันไห ม, มรรกรณีเฉพาะตนของคุณกอไก่นามสมมุติอาชีพการตลาดด้านวางแผนแลักษณะางานที่ทำยังไม่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่งหนึ่งปีที่ผ่านมาก็พยายามเจริญสติตามที่อ่านและฟัง ตลอดจนไปเข้ารับการอบรมมาแต่อาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะถ้ามีเรื่องมากระทบแรงๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือความรักก็ยังร้องไห้หนักอยู่เหมือนเดิมการต้องอาศัยบทความทางวิชาการต่างๆมาประกอบการเขียนรายงานส่งอาจารย์ทำให้คิดถึงอนาคตด้วยความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองเหมือนสิ่งที่เรากาลังจะต้องทานั้นคือการยั่วยุคนทั่วไป ให้อยากได้อยากมีอยากเป็นหนักขึ้นพูดง่ายๆคือต้องมีอาชีพกระตุ้นกิเลสผู้คนจึงรู้สึกสะดุดและฝืนๆอย่างไรชอบก่นคำถามแรกดิฉันปันว่าเครื่องบินที่นั่งอยู่กำลังจะตก ในฝันทั้งกลัวและตระหนกสุดขีดได้ร้องบอกให้คนอื่นเจริญสติกันนับเป็นฝันที่เหมือนจริงมากๆพอตื่นขึ้นมาก็ฉุกคิดว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเรายังเป็นแค่คนที่หัดเจริญสติงู ง, งูปลาๆลาแบบนี้ก็เกรงจะมีจิตเศร้าหมองก่อนตายไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะขอคาแนะนาเผื่อไว้ว่าถ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์ร้ายถึงชีวิตเช่นนั้นจริงๆ ดิฉันควรเจริญสติหรือควรมีคำที่ควรภาวนาในใจอย่างไรหากใครเคยฝันเสมือนจริงเห็นตัวเองอยู่ในสถานการณ์เฉียดเป็นเฉียดตายก็คงเข้าใจความรู้สึกของคุณกอไข่นะครับหมอดูไรายได้ดีส่วนหนึ่งก็เพราะฝันทํานองนี้แหละเนื่องจากหลายคนเข้าใจว่าเป็นลางบอกเหตุ ว่าตนเองใกล้จะตายแล้วจริงๆถ้าผมถือว่าฝันแบบเนี้ยเป็นนิมิตมงคลสำหรับนักเจริญสติครับเพราะกระแทกจิตให้นึกถึงความตายจริงๆจังๆเป็นเหตุให้ใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้นอย่างไม่ประมาทนอกจากนั้นความฝันของคุณยังเป็นเครื่องชี้บอกว่าใจส่วนลึกผูกพันอยู่กับการเจริญสติพอรู้สึกจวนตัวใกล้ตายถึงกับอุทานคาว่าเจริญสติออกมาได้ อย่างไรก็ตามแม้จิตผูกพันอยู่กับการเจริญสติแต่นิมิตฝันก็ชี้ได้เช่นกันว่าสติของคุณเป็นเพียงคำพูดข้างนอกตัวยังไม่ใช่ของจริงที่อยู่ติดเนื้อติดตัวสิ่งที่ฟ้องว่าสติของคุณยังเป็นเพียงคำพูดนอกตัวก็คือคุณคิดถึงการเจริญสติราวกับยังต้องไขว่คว้ายังต้องทาอะไรบางอย่างเพื่อให้ไดมาตลอดจนยังนึกไม่ออกแบบฉับพลันทันที ว่าควรทำความรู้สึกถึงอะไรก่อนเป็นอันดับแรกผมสรุปว่าฝันที่เกิดขึ้นครั้งเนี้ยเร่งให้คุณหาทางเจริญสติอย่างถูกต้องจะได้เคยชินและมีสติเป็นอัตโนมัติทันการแม้เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายก็ไม่ต้องคิดหาวิธีไม่ต้องเรียกหาสติในแบบที่เป็นของตั้งอยู่นอกตัวกันอีกวิธีก็ไม่ยุ่งยากเลย ขอเพียงทำความเข้าใจว่าในขอบเขตกายใจนี้อะไรกำลังปรากฏให้รู้ก็ให้รู้สิ่งนั้นก่อนไม่ยกเว้นแม้แต่ภาวะแย่ๆหากทำไว้ในใจตามนี้คุณก็จะเล็งเห็นว่าสติไม่ได้เกิดขึ้นจากการพยายามนึกถึงกรรมฐานแบบไหนไม่แม้แต่จะค้นคิดหาวิธีมีสติอย่างไรก็แค่ยอมรับตามจริงว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรอยู่ ความเคยชินที่จะยอมรับตามจริงจะทำให้สติของเราไม่ส่งออกนอกตัวแม้สถานการณ์กำลังล่อแหลมจวนเจียนเฉียดเป็นเฉียดตายเหมือนในฝันสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอาจเป็นการระลึกถึงท่านั่งเกรงหรืออาจเป็นการระลึกถึงอาการกระตุกสะดุ้งกลัวหรืออาจเป็นการระลึกถึงความสิ้นสุดที่รออยู่ข้างหน้า ระลึกแล้วจะดีขึ้นหรือแย่ลงไม่สำคัญสำคัญที่เรารู้สึกถึงภาวะที่กำลังปรากฏเด่นในบัดนั้นจริงๆก็แล้วกันเมื่อนึกออกว่าภาวะตรงหน้าเป็นอย่างไรใจย่อมเงียบจากความคิดไปชั่วขณะและเมื่อใจเงียบจากความคิดไปรู้สภาวะตรงหน้าได้บ่อยๆในที่สุดย่อมเกิดสติมีความเป็นกลางวางเฉย ต่อให้ใกล้ตายขึ้นมาจริงๆก็ไม่มีอาการถือมั่นว่าตัวคุณกำลังจะตายเห็นแต่กายใจเป็นของตั้งอยู่เพียงสักแต่เอาไว้ระลึกว่ายังอยู่ไม่ใช่ตั้งอยู่เพื่อให้วิตกทุกร้อนไปกับการแตกดับข้างหน้าแต่อย่างใดที่สำคัญเมื่อถึงวินาทีแตกดับสติก็จะรู้อยู่เฉยๆว่าเป็นวินาทีแห่งการแตกดับของกายใจ ไม่ใช่วินาทีแห่งการแตกดับของตัวคุณเพราะตัวคุณไม่มีอยู่ในกายใจอันตรวนแปลนี้แต่แรกแล้วสรุปคือคุณต้องฝึกเดี๋ยวนี้เลยดูว่ากายใจกำลังเป็นอย่างไรอย่ารอว่าจะต้องไปเข้าคอร์สฝึกที่ไหนเมื่อไรหากเข้าใจว่าต้องไปเก็บตัวเข้าคอร์สฝึกเสียก่อนจึงจัดเป็นการเจริญสติ ก็จะมีผลให้ใจคุณมองสติเป็นของนอกตัวเป็นของที่ฝากไว้กับคอสอบรมหรือเป็นของที่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษในอนาคตร่ำไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเดินอยู่ให้รู้ว่าเดินอยู่นั่งอยู่ให้รู้ว่านั่งอยู่เมื่อหูตากระทบกับเรื่องกระตุ้นปฏิกิริยาทางใจอันใดก็ดูปฏิกิริยาทางใจในขณะนั้นนั้น อย่าไปคิดว่าการดูจิตต้องรอให้จิตดีเส็กก่อนจึงดูได้เช่นจิตสะดุ้งกลัวก็ทำความรู้จักเข้าไปเห็นให้ถนัดว่าจิตสะดุ้งกลัวมีอาการกระตุกกระโดดอย่างไรรู้บ่อยเข้าก็ถึงบางอ้อร้องอ๋อขึ้นมาว่านี่แค่ภาวะทางจิตภาวะของจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่บุคคลไม่มีชื่อไม่มีเพศไม่มีวัย เป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชั่วขณะฝึกรู้กายใจให้ทันตามจริงมากๆสติจะปรากฏเป็นผู้ดูเหมือนถอยมาอยู่ห่างจากภาวะทั้งหลายในกายใจมากขึ้นทุกทียิ่งเป็นอิสระจากกายใจเท่าไรสติก็ยิ่งเท่าทันความจริงเฉพาะหน้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมาทำให้สติพร่าเลือนไป หากเจริญสติได้ผลคุณอาจฝันอีกครั้งและเห็นความต่างไปเป็นคนล่าเรื่องฉากฝันอาจชวนให้นึกว่าจะตายหรือตกอยู่ภายใต้สภาวะการร้ายแรงแบบใดแบบหนึ่งกระทําใจให้หวั่นวิตกในสวัสดิภาพและคุณก็พบว่าตนเองระลึกถึงตัวความหวั่นวิตกและเกิดความรู้สึกอย่างชัดเจนว่า มันเป็นแค่ภาวะอย่างหนึ่งให้รู้ว่ามีได้ก็หายได้ที่สำคัญนะครับถ้าถึงขั้นฝันว่าเกิดสติยามจวนเจียนจะถึงชีวิตก็แปลว่าขณะตื่นคุณจะมีสติได้เป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติไม่แพ้ในฝันด้วยเช่นกันคำถามที่สอง อาชีพนักการตลาดที่ต้องกระตุ้นกิเลสผู้คนให้เกิดความทะยานอยากจะขัดขวางการเจริญสติมากน้อยเพียงใดใจคุณยังใยญ่ๆอย่ยังใแม้ในทางโลกก็ไม่มีหลักให้อาศัยปักใจอย่างเนี้ยเป็นเหตุให้จิตคลอนแคลนไม่ตั้งมั่นเป็นที่มาของความกลัดกลุ้มสงสัยอยู่ตลอดเวลาครับ หากวันๆมีแต่วนเวียนคิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะทําอะไรดีในที่สุดก็สติก็ไม่เจริญแถมอาชีพการงานทางโลกก็ไม่ก้าวหน้าถ้าเลือกแล้วว่าจะทําอาชีพอะไรก็อย่ามัวคิดมากทุกอาชีพที่อยู่นอกกําแพงวัดล้วนแล้วแต่เป็นทางมาของสิ่งสุกกระบกเกาะใจอันนี้เป็นคําที่พระพุทธเจ้าบอกพวกเราไม่ว่าจะหันหน้าไปหาอาชีพไหน คุณอย่าได้คิดมากอยู่ร่ำไปว่าเป็นเหตุกระตุ้นกิเลสผู้อื่นหรือไม่ก็จำเป็นต้องทำผิดศีลข้อ น, น้อนี้หน่อยรักแท้ไม่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความสับสนชั้นใดสติอันบริสุทธิ์ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความเคลือบแคลงชันนั้นขอเพียงใจคุณแน่วแล้วว่าจะเจริญสติเสมอจะงดเว้นการทาเรื่องผิดศีลผิดธรรม ด้วยความไม่ละอายเช่นนี้งานวางแผนการตลาดก็ไม่ใช่อุปสรรคหรอครับความคิดมากและความไม่สบายใจในสาขาวิชาชีพต่างหากจะเป็นตัวเตะ่วงการเจริญสติและการงานขอแค่ตีกรอบตัวเองไว้ว่าจะไม่ปั้นน้ำเป็นตัวจะแค่นำเสนอข้อดีของสินค้าด้วยวิธีที่น่าสนใจด้วยไอเดียที่แปลกใหม่ไม่มีใครเคยทำและระหว่างวันก็ระลึกถึงกายใจตามจริง เท่าที่กําลังสติจะอํานวยเท่านี้ก็ประกันได้ว่าคุณสามารถเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างแน่นอนครับทุกทกกสสิิิ่รรรอลลาาายวมมม้้นคนคไ ความสารวิมนแห่งผู้รู้สุดแห่งยอดครูองค์สัพพัญยูเองรู้เฉพาะตนตอนดูดวงเก่งขวางการเจริญสติ กรณีเฉพาะตนของหมอสอนามสมมุติอาชีพหมอดูลักษณะางานที่ทำรับดูดวงให้ลูกค้าวันและไม่ต่ำกว่า10บคนแต่ละคนจะมีปัญหาชีวิตต่างกันไปส่วนใหญ่ไม่พ้นเรื่องความรักและการงานซึ่งก็มักพอใจกับคำทำนายและคำแนะนำแต่หลายครั้งก็รู้สึกเหมือนเป็นเครื่องระบายอารมณ์ของลูกค้าที่เอาแต่ใจไม่พอใจคาทานายหรือไม่ยอมรับคาแนะนา แถมหลายคนติดพันขอโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาบางคืนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนไปจนดึกดื่นเที่ยงคืนคำถามแรกได้ยินว่าถ้าทำอาชีพหมอดูมีความขัดแย้งกับการเจริญสติถึงขั้นทำไม่ได้ถึงมากถึงผลจริงหรือเปล่ากรรมที่ปิดกั้นมรรคผลอย่างเด็ดขาด แบบที่คนสมัยนี้ทำกันได้มีแค่สี่ข้อครับคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์หรือเป็นสงฆ์ที่ทำให้สงฆ์แตกกันนอกนั้นต่อให้เคยฆ่าคนเป็นเบือก็ยังพอมีสิทธิกลับลำจเจริญสติจนถึงมรรคถึงผลได้ที่กล่าวกันว่าอาชีพหมอดูขัดกับการจเจริญสติต้องแยกแยะสาเหตุให้เห็นเป็นข้อข้อพร้อมวิธีเป็นหมอดูให้ได้สติดังนี้ 1. ต้องคิดคำนวณมากหลักโหราศาสตร์เต็มไปด้วยตัวเลขเมื่อในหัวพัวพันกับตัวเลขยุ่งเหยิงแถมทั้งวันต้องเค้นคิดตีความว่าจะทายอย่างไรดีก็เชื่อขนมกินได้ครับว่าพายุความฟุ้งซ่านก่อตัวไม่หยุดแน่อีกประการหนึ่งศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขและการพยากรณ์ เป็นสิ่งชวนชงนหน้าหลงไหล ย, ยิ่งศึกษายิ่งก้าวล่วงเข้าไปสู่พลังลึกลับแห่งดวงดาวตัวศาสตร์เองจึงมีอิทธิพลครอบงามจิตใจหมอดูให้หมกมุ่นอยากลงลึกไปเรื่อยๆยิ่งรู้มากยิ่งอัศจรรย์ใจกับรหัสจักรวาลขึ้นทุกทีอันนี้อย่าว่าแต่ศาสตร์ในการดูหมอเลยต่อให้ธรรมะก็เถอะถ้าศึกษาทฤษฎีเพื่อให้ได้องค์ความรู้ไม่รู้จบ กย่อมฟุงซ่านด้วยความมัวเมาวิชาได้เช่นกันแล้วถามว่าความหมกมุ่นฟุ้งซ่านเข้ากันหรือขัดกันกับการเจริญสติก็ต้องตอบว่าขัดกันการเจริญสตินั้นต้องการตัวรู้ไม่ใช่ตัวคิดพูดง่ายๆคือคิดมากจะรู้น้อยคิดให้น้อยๆถึงมีสิทธิ์จะรู้ได้มากฉะนั้นหากรักจะเป็นหมอดูที่เจริญสติไปด้วยได้ แค่ทำสมาธิมากหลังเลิกงานเห็นที่จะไม่พอคุณต้องให้จิตได้พักสงบเงียบเป็นช่วงๆระหว่างทํางานด้วยอย่างเช่นระหว่างรอลูกค้ารายใหม่ก็อาจหลับตาถามตัวเองว่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือหยุดหายใจไม่ปล่อยใจวกแวกไปทางอื่นหากมีวินัยกับการช่วยโอกาสสั้นๆพักจิตได้เรื่อยๆกําลังสมาธิจะไม่ตก และรู้สึกถึงความว่างที่ชนะความวุ่น 2. ต้องผเผชิญกับทุกทางใจหลากหลายหมอดูนั้นนะครับยิ่งเก่งจะยิ่งเหนื่อยเพราะลูกค้าจะหอบพ่อแม่พี่น้องและญาติสนิทมิรสายมาใช้บริการตามกันเป็นพรวนก็แล้วคนมาดูหมอนั้นมาพร้อมความสุขหรือความทุกข์เล่า อย่างน้อยเขาก็ทุกข์เพราะความอยากรู้อนาคตทั้งวันคุณอาจต้องเผชิญกับกระแสจิตที่ปั่นป่วนด้วยความอยากรู้หรือกระทั่งสกปรกเร่าร้อนด้วยพฤติกรรมผิดผิดหากรับมือไม่ดีจิตของคุณย่อมเศร้าหมองคลายติดค้างคาใจไปสารพัดเพื่อไม่ให้ขยะเกาะจิตได้ติดคุณต้องเจริญสติระหว่างทำงานไปด้วยการต้องรับฟังและโต้อตอบกับคนมากๆ ก, ก็มีข้อดี คือมีโอกาสได้ซ้อมดูปฏิกิริยาทางใจของคุณเองบ่อยๆให้ถามตนเองเรื่อยๆเช่นตอนนี้ใจถลำไปพลอยมีส่วนร่วมกลุ้มใจกับลูกค้าไหมตอนนี้รู้สึกถึงความปั่นป่วนในใจลูกค้าไหมตอนนี้ร้อนรุ่มกับความเอาแต่ใจของลูกค้าไหมเป็นตน้นสรุปคือดูความทุกข์ทางใจของตนเองให้ทันในขณะที่เกิดขึ้นบ่อยเข้า คุณจะค่อยๆเห็นว่าความทุกข์ที่ถูกรู้จะแสดงความไม่เที่ยงเสมอพลอยทําให้จิตของคุณเป็นอิสระถอยออกมาจากความยึดภาวะทุกเสมอ 3. ต้องตอบให้ได้คุณบังคับไม่ได้ว่าจะให้ลูกค้าถามอะไรแต่คุณจะถูกลูกค้าคาดคันให้ตอบทุกคำถามของพวกเขาเสมอ เพราะในมุมมองของลูกค้าหมอดูคือผู้มีอาชีพรู้อนาคตลูกค้าจะไม่พยายามเข้าใจเลยว่าแม้แต่นอสตราดามุสก็ไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดคนที่รู้ทั้งหมดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อถูกคาดหวังสูงจึงต้องพยายามตอบให้ได้หรือแนะนําให้ดีแม้ไม่รู้ก็ต้องบอกว่ารู้ไม่แน่ใจว่าจะตีความตัวเลขอย่างไร ก็ต้องวางฟอร์มเชื่อมั่นว่าอ่านชะตาลูกค้าได้ขาดให้คำแนะนำได้เข้าเป้าเสมอหากมักง่ายยอมตนเป็นคนลวงโลกก็คงไม่ต้องหวังเจริญสตินักพูดเท็จย่อมไม่อาจมีสติจําใสเห็นตามจริงยิ่งวันมีแต่จะยิ่งพรามัวเห็นอะไรบิดเบี้ยวมากขึ้นทุกทีฉะนั้นคุณต้องตั้งใจให้ดีว่าจะมีศีลมีสัตว์รู้บอกว่ารู้ ไม่รู้บอกว่าไม่รู้และหากเห็นตนเองต้องตอบว่าไม่รู้มากกว่ารู้แล้วก็ทางที่ดีควรชะลอการเลือกอาชีพหมอดูไว้ก่อนมีเช่นนั้นคุณอาจต้องกลายเป็นมิจฉาชีพโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 4. ต้องพาลูกค้าส่งจิตออกนอก ถ้าหมอดูพิสูจน์ผ่านการทักอดีตและปัจจุบันได้แม่นยำลูกค้าจะยิ่งเชื่อถือคำทํานายเกี่ยวกับอนาคตถ้าทายดีก็จะมีความหวังสูงจดจ่อรอวันใหม่ไม่เลิกแต่ถ้าทายร้ายก็จะวิตกกังวลอย่างแรงเฝ้าคิดแต่ว่าทําอย่างไรจะแก้ไขวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นได้สรุปคือหมอดูยิ่งแม่นก็ยิ่งพาให้ลูกค้าฟุ้งซ่านวกวนอยู่กับการคิด ถึงอนาคตและเรื่องนอกตัวที่ยากจะพิสูจน์เมื่อให้ความฟุ้งซ่านแก่ผู้อื่นย่อมได้ความฟุ้งซ่านแก่ตนเองการจเจริญสติเป็นเรื่องปัจจุบันคุณไม่มีทางเอาจิตมารู้ข้างในราดับเท่าที่ยังพาคนอื่นส่งจิตออกข้างนอกฉะนั้นต้องเหนี่ยวนำให้เข้ามาอยู่กับปัจจุบันบ้างปรับปรุงนิสัยที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ทางใจบ้าง คลื่นความสงบใจที่เกิดกับพวกเขาย่อมย้อนมาเป็นความผาสุกให้ชีวิตคุณเอง 5. ต้องพาให้ลูกค้างมง่ายโดยปริยายถ้าบอกลูกค้าว่าคุณรู้อดีตและอนาคตของเขาได้จากดวงดาวก็เท่ากับชักจูงให้เขาเชื่อว่า ทุกอย่างถูกกำหนดไว้หมดแล้วแบบฟ้าลิขิตซึ่งเป็นทางไปสู่ความงมงายไร้เหตุผลคุณต้องอธิบายให้ถูกว่าเขาเป็นอย่างไรก็ด้วยกรรมทั้งสิ้นกรรมเก่าส่งมาอยู่ใต้รหัสดาวแบบนี้จึงได้เพศ ร, รูปร่างหน้าตาฐานะภูมิปัญญาตลอดจนดวงชะตาอย่างนี้ของเก่าเป็นฐานให้ตัดสินใจว่าจะเลือกคิดเลือกพูดและเลือกทาอะไรใหม่ๆอย่างไร เพียงยึดเพียงยึดหลักฐานและศีลคุณสามารถวิเคราะห์ทุกดวงและให้คำแนะนำทุกดวงอย่างถูกจุดเช่นเคราะห์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องถึงเลือดถึงเนื้อมาจากการเบียดเบียนชีวิตอื่นถ้าจะผ่อนหนักเป็นเบาก็ต้องให้อภัยมากๆลอยชีวิตสัตว์มากๆเป็นต้นนี่คือการทำให้คนเชื่ออย่างมีเหตุผลและพิสูจน์ได้ด้วยการทดลองทาจริง และเมื่อคุณไม่นำคนไปสู่ความงมงายในที่สุดคุณจะตาสว่างก่อนใครในฐานะผู้สามารถเอาดวงดาวมาอธิบายกรรมคำถามที่2ถ้าหาทางแนะนำให้ลูกค้ารู้จักการเจริญสติจะถือว่ามีส่วนช่วยให้สติเข้าตัวเองไหม แน่นอนครับทุกอย่างเป็นไปตามหลักธรรมชาติที่ว่าให้สิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นผู้ให้สติย่อมได้สติอย่างไรก็ตามลูกค้าแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันบางคนไปพูดเรื่องเจริญสติกับเขาเขาหาว่าดูถูกเห็นเขาไม่มีสติเข้าให้ก็ได้ฉะนั้นต้องดูจังหวะและโอกาสด้วย ถ้าเห็นว่าจิตเขามืดหนักไม่พร้อมจะฟังธรรมะก็ดูดวงแม่นแม่นจนเขาศรัทธายอมฟังเสก่อนพอยอมฟังแล้วค่อยพิจารณาว่าเขาเหมาะจะรับอะไรเป็นอันดับแรกทำทานทำลายความตรรีหรือรักษาศีลชะล้างความศกรกระกนี่เป็นรายละเอียดที่ต้องศึกษามากมีประสบการณ์ตรงมากจะค่อยๆเห็นวิธีแนะนาคนแต่ละแบบไปเองครับ มาบทความโดยดังตริ น, นจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่สามสิบเจ็ดเสียงอ่านโดยโจโฉหรืหอานุสรตรีโสภาสเ่่่่อ็นยงงิททีีจหู อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตของใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็น ยังได้มาเพราะเธอจะไมาจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่ากให้ลองดูเรื่องกันารการกระทังของเธอในคิดในใจอาจคอยสมพลไร้ไร้อาจลึกลับแต่มันคง แารสองพคนขังกันคิดทำอะไรทำดีหรือไร